ประสบการหลอนบนเกาะริมแม่น้ำขงสัมพัดสยองวันนี้สัมพัดสยองมีเรื่องราวประสบการณ์จากประเทศเพื่อนบ้านของเรามาให้ได้รับฟังกัน ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวจากต่างแดนกันบ้างและหลายหลายคนก็คงอยากจะฟังเรื่องราวนี้เช่นกันต้องขอขอบคุณคุณบุญที่สารด้วยนะครับที่แบ่งปันเรื่องราวนี้เข้ามาตอนนี้เรามารับฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่าสบายดีผมเป็นคนลาววันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องเล่าสยองขวัญ ที่ผมได้พบเจอมาเมื่อหลายสิบปีก่อนให้ฟังผมมีชื่อว่าบุญอายุ32ปีอาศัยอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศลาวเมืองปากเซแขวงจำปาสักเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ22ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุสิบขวบกำลังเรียนอยู่ชั้นปห้าเป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ผมมีเพื่อนซีคนหนึ่งชื่อเอ เราเรียนอยู่ห้องเดียวกันวันนั้นเป็นวันสุกเราก็นัดกันหลังเลิกเรียนว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวหาดกันหาดเป็นภาษาของบ้านผมหากแปลเป็นไทยก็คงจะเรียกว่าเกาะซึ่งลักษณะหาดบ้านของผมจะเป็นชายหาดที่ขึ้นอยู่กลางแม่น้าโขงที่นี่จะไม่มีต้นไม้ขึ้นเพราะหาดนี้จะเห็นได้เมื่อตอนน้ำลดเพียงเท่านั้น ในช่วงเวลาน้ำลดนี้ชาวบ้านก็จะมาปลูกแตงกวาแตงโมและพืชพันธุ์อื่นๆ อ, อ, อีกมากมายพวกของผมตั้งใจจะไปเที่ยวและไปกินแตงโมนี่แหละครับตอนบ่ายของวันเสาร์เอก็มาหาผมที่บ้านจากนั้นก็มุ่งหน้าไปหาเพื่อนอีกสองคนซึ่งรออยู่ที่ท่าน้ํารวมแล้วก็มีกันทั้งหมดสี่คนพอไปถึง พวกมันก็บ่นว่าผมนิดหน่อยว่าทำไมถึงมาสายเดี๋ยวก็ไม่มีเรือไปกันหรอกแต่ผมกับเอก็ไม่ได้ตอบอะไรพวกเราพากันเดินไปตกลงค้านั่งเรือที่จะไปยังหาดพี่คนขับเรือก็คิดราคาคนละสองพันกีบทั้งไปและกลับถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนั้นก็น่าจะราวๆสิบบาทได้พวกเราจ่ายเงินให้พี่เขา แล้วก็นั่งเรือไปโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีก็มาถึงยังจุดหมายตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วพอขึ้นหาดพวกเราก็นัดให้พี่เขามารับตอนหโมงเย็นอีกครั้งจากนั้นพี่เขาก็ออกเรือกลับไปพวกเราพากันเดินไปที่กระท่อมของแม่ค้าก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวจึงพากันเดินไปอีกกระท่อมหนึ่ง แต่ทุกกระทอมสิบกว่าหลังที่พวกเราเดินไปไม่มีใครอยู่เลยสักคนเมื่อหันไปมองโดยรอบก็เห็นว่าแตงกวาแตงโมหรือพืชพันธุ์อื่นๆที่ปลูกอยู่บริเวณนั้นยังไม่งอกเลยเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะปลูกใหม่ๆพวกเราหันมามองหน้ากันแล้วก็หัวเราะที่มาหาแตงโมในหน้านี้ เพื่อนคนหนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่ากูบอกแล้วมันไม่มีหรอกช่วงนี้เขากำลังจะปลูกผลของมันต้องมากินช่วงกลางเดือนมีนานน่นเอก็เลยพูดขึ้นมาว่ามึงบอกตอนไหนวะกูบอกไอ้สันขณะที่ผมหันไปถามไอ้สันว่าทั้งทั้งที่รู้ทำไมถึงยังชวนมาอีกแต่ก็ยังพูดไม่ทันจบไอ้สันก็ตอบกลับมาว่า ก, กูอยากมานี่หว่าถ้าเกิดกูบอกพวกมึงสองคนไปเดี๋ยวมึงจะเปลี่ยนใจไม่ยอมมากันผมกับเอพึ่งเคยมาเกาะ น, นี้เป็นครั้งแรกก็เลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยแต่พวกมันสองคนนั้นเคยมาก่อนแล้วตอนนี้พวกผมเริ่มรู้สึกเซ็งไม่รู้จะทําอะไรก็เดินดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆเพราะในในพวกเราก็มากันแล้ว ก่อ น, นี้ยาวประมาณ 3-4 กิโลเมตรกว้าง 8-900 เมตรมีสองากฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นท่าเรือที่พวกเราขึ้นมาบนเกาะสามารถมองเห็นหมู่บ้านของผมได้จากตรงนี้แต่ไกลมากส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านเช่นกันแต่จะห่างจากเกาะ น, นี้เพียงแค่20เมตรเท่านั้นพวกเราเดินกันไปคุยกันไปจนเริ่มรู้สึกเหนื่อย จึงพากันนั่งพักที่กระทอมฝากฝั่งบ้านของพวกเราเอนั่งไปได้สักพกักเพื่อนคนหนึ่งที่มันเคยมาที่นี่ก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไหนๆก็มากันแล้วลงเล่นน้ำกันดีกว่าเพราะสิ้นเสียงเท่านั้นแหละมันกระลุกขึ้นกระโดดลงไปในแม่น้ำเลยพอเห็นดังนั้นไอ้สันก็กระโดดลงน้ำตามไปอีกคนพวกมันสองคน เล่นน้าได้สักพักหนึ่งก็เรียกผมกับเอแต่เอมันปฏิเสธเพราะมันว่ายน้ำไม่เป็นแล้วมันยังบอกผมอีกว่าอยู่ๆมันก็รู้สึกกลัวและหดหูยังไงไม่รู้ตอนนั้นผมเห็นสีหน้าของมันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดทั้งแววตาท่าทางของมันที่ดูกระวนกระวายมากผมก็เลยบอกมันไปว่า ไม่มีอะไรหรอกหน้าครล้งวันแบบนี้แสงแดดก็มีจะกลัวอะไรวะถึงแม้ผมจะพูดออกไปอย่างนั้นแต่ตอนนั้นผมกลับมีความรู้สึกว่าทั้งทั้งที่อากาศร้อนมาแต่ทำไมผมถึงรู้สึกหนาวผมเลยบอกกับเอว่างั้นเราแค่เดินเล่นริมน้ํากันดีกว่ามันก็ตอบตกลง พอพวกเราสองคนเดินเล่นกันริมน้ำได้สักพักเพื่อนสองคนก็ขึ้นมาจากน้ำไอสันก็เข้ามาถามว่าทำไมไม่ลงไปเล่นน้ำด้วยกันผมตอบกลับไปว่าไม่อยากเปียกไอสันก็เลยบอกว่าตามใจพวกมึงแล้วกันแล้วไอแมวก็พูดต่อขึ้นมาอีกว่าถ้ามึงไม่อยากเปียกก็คงจะอดกินแตงโมแล้วว่ะ ผมรีบถามมันกลับไปว่าแตงโมที่ไหนมันก็บอกว่าถ้าพวกมึงอยากกินก็ตามกูมาแล้วมันก็เดินไปพวกผมสามคนรีบเดินตามมันไปติดๆพอเดินมาได้สักพักก็มาถึงยังอีกฝ่าของเกาะแล้วมันก็บอกว่าเราจะเดินข้ามแม่น้าฝั่งนี้ไปที่กระทอมที่เขาขายแตงโมอยู่แต่จะต้องเดินข้ามแม่น้ำไป ที่มีความกว้างประมาณ20บเมตรไม่รอชา้ามันคว้ามือไอ้สันแล้วเดินลงน้ำไปไอเอก็พูดขึ้นมาว่าน้ำลึกหรือเปล่ามันว่ายน้าไม่เป็นไอ้สันตอบกลับมาว่าน้ำสูงเพียงแค่ต้นคอเท่านั้นพอเอได้ยินดังนั้นก็ก้าวขาตามลงน้ำไปผมรีบคว้าแขนมันเอาไว้แล้วถามว่าจะไปจริงเหรอ มึงว่ายนะ้ำไม่เป็นนะเว้ยมันตอบผมกลับมาว่ากูอยากข้ามไปกูอยากกินแตงโมนี่นะ่ะผมก็เลยบอกกับมันว่าจะพามันไปเองผมจับแขนมันแล้วเราก็เริ่มเดินลงน้ำกันตอนนั้นไอ้แมวกับไอ้สันล่วงหน้าเราไปแล้วประมาณห้าหกเมตรได้ผมจำได้ดีว่า เห็นพวกมันเดินลงน้ําลึกลงไปเพียงแค่ระดับเอวส่วนผมกับเอเอระดับน้ําลึกเพียงแค่หน้าแข้งเท่านั้นในช่วงเวลานั้นความรู้สึกของเราทั้งสองคนเหมือนกับตกลงจากที่สูงแบบว่ามันวูบลึกลงไปแล้วพวกเราก็สลบไปเวลาผ่านไปกี่นาทีไม่รู้ผมก็รู้สึกตัวขึ้น พอได้ยินเสียงเรือแล่นผ่านไปเมื่อมองดูโดยรอบ ก, ก็เห็นว่าผมมาอยู่ที่กลางน้ำแล้วซึ่งมันเป็นส่วนท้ายของเกาะผมรีบว่ายน้ำเข้าหาฝั่งในขณะเดียวกันก็มองหาเพื่อนไปด้วยก็เห็นไอ้แมวกับไอ้สันกำลังพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่ผมไม่เห็นไอ้เอตอนนั้นผมกลัวมากตะโกนร้องหามันมองไป ร, บรอบ แต่ก็ไม่เจอจึงตะโกนบอกเพื่อนอีกสองคนให้ว่ายหาด้วยกันผมดำน้ำลึกลงไปเพื่อหามันดำลงไปอยู่สองสามครั้งได้แต่ก็ไม่พบผมเริ่มสติแตกแล้วเลยท่องในใจขอพระคุณพ่อพระคุณแม่พระพุทธเจ้าได้โปรดช่วยพวกเราด้วยแล้วผมก็ตัดสินใจดำน้ำลงไปอีกครั้งก็เห็นไอเอดินอยู่ พยายามที่จะขึ้นมาบนผิวน้ำจึงรีบจับแขนมันดึงขึ้นมาเพราะเราสองคนโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำได้ไอแมวกับไอสันก็ว่ายมาถึงตรงจุดที่ผมอยู่พอดีจึงพากันกลับขึ้นไปบนฝั่งหลังจากหายตกใจแล้วพวกเราก็มองหน้ากันและถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเราถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ทั้งทั้งยี่ตอนนั้น กำลังเดินจะข้ามฝั่งและอยู่ส่วนกลางของเกาะแต่ทำไมถึงมารู้สึกตัวที่กลางน้ำแถมยังอยู่ส่วนท้ายของเกาะอีกพวกเรางงกันมากที่น่าแปลกคือทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโดนผลักตกจากที่สูงแล้วหมดสติไปตอนนั้นพวกเรากลัวกันมากยิงไอเอนี่หนักกว่าเพื่อนมันร้องไห้เลย มันบอกว่ามีตัวอะไรไม่รู้สีดำดำพยายามดึงขามันลงไปมันพูดไปก็ร้องไห้ไปทำให้พวกเราร้องไห้ไปกับมันด้วยพวกเราหันไปมองรองเท้าที่อยู่กลางแม่น้ามันหลุดตอนที่พวกเรารู้สึกตัวกลางแม่น้ำและตามหายเอรองเท้าไหลไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะลงไปเอา พวกเราได้แต่มองมันไหลไปเรื่อยๆจนหายลับไปหลังจากนั้นก็พากันเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วมานั่งที่กระท่อมติดท่าเรือเพื่อรอเรเือที่จะมารับพวกเราไม่ได้พูดอะไรกันเลยได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่อย่างนั้นส่วนนเอกก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดจนทุกคนต้องปรอบมันว่าไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นอะไรแล้ว มันเงยหน้าขึ้นมามองพวกผมและก็รู้ว่าพวกผมก็กลัวไม่ต่างจากมันเหมือนกันมันก็เลยหยุดร้องพวกเรานั่งรอเรืออยู่นานมากมันช่างเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินจนถึงเวลาห้าโมงเย็นกว่าๆพี่คนขับเรือก็มารับพวกเราดีใจกันมากรีบขึ้นเรืออย่างรวดเร็วและนั่งบนเรือเงียบ โดยไม่มีใครพูดอะไรพอถึงฝั่งเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยผมต้องไปส่งไอเอที่บ้านก่อนไปก็ต้องหารองเท้าเก่าให้มันใส่ด้วยเพราะกลัวแม่มันจะถามว่าไปทำอะไรกันมาแล้วแม่มันก็มาถามจริงๆเพราะเช้าวันต่อมาแม่ของมันมาหาผมที่บ้านถามว่าเมื่อวานนี้พากันไปไหนมา ลอยอไข้ขึ้นสูงเอาแต่ร้องไห้บอกว่ากลัวผมก็เลยต้องบอกความจริงกับนาเขาไปแล้วก็โดนดุและถูกสั่งว่าห้ามพากันไปที่นั่นอีกเป็นอันขาดจากนั้นนาเขาก็กลับไปแล้วเอาได้มาผูกแขนนเอกับผมด้วยเพื่อเรียกขวัญกลับมาจากวันนั้นพวกเราก็ไม่กล้าที่จะไปเกาะ น, นั้นอีก จนเรียนจบชั้นป .5 ครอบครัวของเอก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเราจึงไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยส่วนผมก็ไม่ได้ไปเล่นที่ก่อนานเป็นเวลานานมาทั้งทั้ที่เพื่อนก็ชวนไปอยู่หลายครั้งเวลาผ่านไปจนผมเรียนอยู่วิทยาลัยครูแห่งหนึ่งที่เมืองปากเซตอนนั้นอยู่ชั้นปีสองแล้วก็ได้มีเพื่อนกลุ่มของผมที่ซีกัน ชวนกันไปที่เกาะ น, นี้อีกตอนแรกผมก็อ้ำอึงเพราะยังกลัวอยู่แต่ในที่สุดแล้วผมก็ตอบตกลงไปเพราะมีเพื่อนสองคนที่เป็นคนท้องถิ่นนั้นไปด้วยกันด้วยวันนั้นเป็นวันศุกร์แต่ว่าช่วงบ่ายไม่มีเรียนพวกเราเจ็ดคนก็เลยพากันขี่รถจักรยานยนต์ไปกันแล้วนํารถไปจอดไว้ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่ง จากนั้นก็พากันเดินข้ามฝั่งไปเมื่อครั้งสมัยที่ผมยังเด็กจังหวัดของผมยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงเลยต้องพึ่งเรือแต่พอผมเรียนวิทยลาลัยแล้วที่นี่ก็เริ่มเจริญมากขึ้นพวกเราเดินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นเกาะโดยการนั่งเรือพายระยะไกลๆเพียงแค่20เมตรพอขึ้นมาบนเกาะ พวกเราก็เดินดูนานนี่วิ่งเล่นกันบ้างเมื่อมองดูโดยรอบก็เห็นว่ามีผู้คนมาเที่ยวอยู่มากเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้แตงโมโตแล้วขากลับพวกเราก็ต้องนั่งเรือพายขึ้นฝั่งเหมือนเดิมซึ่งจะต้องแบ่งขึ้นเรือกันสองรอกเหมือนกับตอนขามาเพราะมีถึงเจคนขึ้นพร้อมๆกันทีเดียวไม่ได้ แต่พอเรือรอบแรกกำลังจะออกพวกเพื่อนผู้ชายสามคนที่รอขึ้นเรือรอบสองมันก็บอกว่าเสียเวลาน่ะไม่ต้องมารับพวกกูจะแข่งกันว่ายน้ำกลับเองเพื่อนผู้หญิงที่เป็นคนท้องถิ่นก็บอกว่าอย่าเลยรอให้เรือมารับดีกว่าเดี๋ยวเธอจะกลับมารับทั้งสามคนเองตอนแรกพวกมันทั้งสามคนก็เออออรับปา แต่หลังจากที่พวกผมถึงฟังกันแล้วพอหันหลังกลับไปก็เห็นพวกมันกำลังแข่งกันว่ายน้ำมาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบขึ้นท่าไปกับเพื่อนอีกสองคนแต่เพื่อนผู้หญิงคนที่ยืนรออยู่ก็ร้องขึ้นมาเสียงดังว่าให้รีบว่ายกลับมาไวๆมีบางอย่างกำลังจะมาถึงพวกมันแล้วพวกผมสามคนจึงรีบหันหลังกลับไป และ ว, วิ่งไปหาแล้วพวกเราก็ได้เห็นฟองอากาศที่อยู่ในน้ำมันมีลักษณะเหมือนกับฟองสบู่ฟองนั้นผุดขึ้นไล่ตามหลังทั้งสามคนมาติดๆทั้งสามว่ายน้ำเข้ามาจนถึงฝั่งแล้วเพื่อนผู้หญิงก็บอกว่าฟองนั้นได้หายไปแล้วจึงบอกให้ทั้งสามขึ้นจากฝั่งโดยเร็วแต่ผมกลับต้องยืนตัวแข็ง เพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือฟองฟองนั้นยังคงอยู่แล้วก็มีบางสิ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาขณะนั้นผมยืนตัวสั่นเกรง็งสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวดำผมยาวดกดูรกลุงรังเธอชี้นิ้วมาที่ผมแล้วพูดว่าจำกูได้ไหมมันทำให้ผมสติแตก เหตุการณ์เมื่อแปดเปีก่อนพุดขึ้นมาในหัวผมอีกครั้งเพื่อนเพื่อนอีกหกคนเห็นผมมีอาการแปลกๆจึงเขย่าตัวผมเฮ้ยมึงเป็นไรมึงเป็นไรแล้วผมก็หมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีก็นอนอยู่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมจึงเล่าเหตุการณ์ตามที่ได้เห็นไป แต่พวกมันกลับบอกว่าพวกมันไม่เห็นเหมือนกับผมเห็นเพียงแค่ฟองน้ำไล่ตามหลังเพื่อนสามคนพอทั้งสามถึงฝั่งฟองน้ำนั้นก็หายไปแล้วผมตัดสินใจเล่าเหตุการณ์เมื่อแปดเก้าปีก่อนให้เพื่อนๆนฟังพอเล่าจบเพื่อนผู้หญิงคนในท้องทนนี่นั้นก็เล่าเรื่องจากแม่ของเธอให้พวกเราฟังกันว่าที่นี่เฮียนมา จะมีคนจมน้ำตายทุกๆปียิ่งช่วงใกล้ปีใหม่ลาวด้วยแล้วจะยิ่งเหี้ยนหนักขึ้นไปอีกแต่ถึงอย่างนั้นเกาะ น, นี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองนี้เมื่อน้ำในแม่น้ำโขงลดลงและผมก็ไม่รู้ว่ามันยังคงเหี้ยนอยู่หรือเปล่าเพราะหลังจะเรียนจบผมก็ได้ย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดและยังไม่มีโอกาสได้ไปเหยียบที่นั่นอีกเลย พัดสยอง